ไมถึงไม่เอาพระขาวมามาใช่พราะพวกนี้บวชมาต้องแต่งให้มันผิดฆราวา่าสเขามาขอเขาจิ้เป็นเครื่องหมายของพระของเนรเฉยหรอกของพระกวอนเพราะพระเนรมาได้ไม่ได้ทามาหาอย่างชีวิตโดยทางที่ชอบของตนอาศัยคนอื่นเรื่องชีวิตก็ต้องบวชมีอุประชาอาการ าอย่างนั้นก็คนไปไปรัก บ, บวชมากส่วนฆราวาส ไ, ไม่ว่าหรอกนุ่งผ้าฉีไหนก็ไม่เป็นปัญหาระบางคนขอให้นุ่งขาวมาอย่างนั้นอย่างนี้เขาวมันเขาแต่ผ้าใจไม่เขาก็เท่ากัา อ, อกละเรานุ่งอะไรก็ได้ทั้งนั้นน่ะโลกไม่ใช่ของใครโลกเป็นของกลางสองขาไม่ทำอันตรายให้ใครเลยแต่ว่าเกิดขึ้นไปรปรวนและแต่กระายอย่อย่างนั้น เป็นของมาเที่ยงเป็นทุกมอย่างโลกนี่ก็ไม่ได้นึกว่าจะเบียดเบียนใครแต่ผู้ที่หลงโลกมาอยู่ในโลกก็เบียดเบียนตนต่างหากเกิดแก่เก็บตายไม่นีนึกว่าจะเบียดเบียนใครทุกทุกอุเบกขาก็ไม่นึกว่าจะเบียดเบียนใครแต่ผู้เกิดมาแล้วเขามาพบทุกทุกอุเบกขาเพราะยังไม่นายเกิดนายโลกคือนายยังไงก็คือนายความหลงของตัวนั่นเองตนไปหลงโลก เพราะลมมันเลยลงตนตนหลงเกิดเพราะอะไเกิดไม่เกิดไม่ได้ลงตนตนลงตาเพราะตามันเลยมาลงตนตนลงหูเพราะหูมันเลยมาลงตนตนลงจมูกเพราะจมูกมันเลยมาลงตนเล่นกายใจก็เหมือนกันตนลงใจเพราะใจมันเลยลงตนนอกจากกายก็ไม่มีอะไรจะหลงใจใครเป็นผู้ไปหลงใจก็คือกิเลสนอกจากกายก็ไม่มีอะไรจะรู้ใจนอกจากกายก็ไม่มีอะไรจะปฏิบัติใจ นอกากายกายก็ไม่มีอะไรจะรับเพรศผลกับใจต่หุ่จังหกเรียบกายมันก็ไม่รับเุพรศผลกับใจใจเป็นที่พึ่งของใจทำเมตตัวเดียวนวดลงมาเป็นตัวเดียวทำใจสงฆ์ใจพุทธใจทรรมใจสงฆ์ใจเศรษฐใจตัปเศษลงที่ใจเว้นจากข้าสารภาพพระคือปี น, นามรรมมาต้นตัปเศษลงที่นั่นสมาธิตั้งมันลงในที่นั่นตั้งมันลงที่ใจ ปัญญาเขาล้วู่ในที่ใจแฟนมือทีธรรมขันเขขันลงในที่ใจนั่นย่นลงมาเป็นหนึ่งตัว น, นี้ของมันมากเขาย่นลงมารวมลงมาในอันเดียวกันข้าวก็เหมือนกันดูภาชนะมันมีมากแต่เวลาเอามารวมรวมลงในลําไส้อันเดียวกัน่เงินก็เหมือนกันเวลาไปในเมืองหรือเวลาเอาไว้เอามารวมมาที่แห่งเดียวกัน ในกระเป๋าเดียวกั น, นที่เจรนาแก้ความหลงของตนไม่ได้เกิดมาเพิ่มความหลงของตนตนมาหลงโลกตนมาหลงเกิดลงแก่ลงแก่ห ล, ลงตายไม่ใช่เกิดแก่แก็่ตายมาหลงเราเราหลงว่าสิ่งที่ไม่เที่ยงมันเป็นของเที่ยงคือสัาคนาร่างกายสิ่งที่ไม่เป็นทุกข์ เราหลงว่าเป็นสิ่งที่เป็นทุกข์เราหลงว่าเป็นสุขคือสกปรกายสิ่งไม่ใช่ตัวใช่ต้นเราลงา ว, ว, วลลงาาลา่าเป็นตัวเป็นตนคือสกปรกายมันแตกมันสลายไปซะถ้าเราเป็นตัวเป็นตนมันจะแตกสลายไปทำไมมันจะแก่จะเก่จะตายทำไมมันก็ต้องอยู่ในอำานาจรัศนาของเราสิ่งไหนที่มันอยู่ในอำนาจรัศนาของเราไม่มีนอกจากเราจะรู้เท่ามันเท่านะั้นรู้เท่าความหลงของเราเท่านั้น รู้เท่าความหลงตอนไหนๆความหลงตอนนั่นๆก็ไม่มาคาบคืนเนะช่นเรารู้เท่าว่าเกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเก็บต้องตายอย่างนี้เราจะไปสงสัยว่าเรามาแก่ไม่เก็บไม่ตายมวนก็ไม่สงสัยอีกแม่ๆแต่มนรูยตามเคยหูก็หัดปากถ้ามนุูยตามจริงในภาวนาควมมันชัดแล้วมันก็ไปหลงอนะ ในใจโลกกระแทกเัราะไม่มีใครเป็นเจ้าของต่างคนก็ต่างมาแย่งกันเฉยๆตกลงก็มาต่างคนต่างมาตั้นหน้ามันเป็นตัวแข่งกันคนชุดท่ายก็มันมีใครไปไม่มีใครได้ก็แบมือไปจนะนจิตใจที่รู้ตามเป็นจริงเห็นตามเป็นจริงปฏิบัติตามเป็นจริงลดพ้นจากความหลงเจ้าของตามเป็นจริงอันนั้นของขายของมันเอาไปด้วยได้ ปัญญาเราลูกในสังขารกัรทเป็นจรงอย่างไรศีลรักษาการอาใจเรียบรย้อยอุตตะสรลุกคว้าต่อ ว, ว่านี่ตะลุกนี่การาะอายแก่ใ จ, ใ จ, จากขาขะสระสิ่งที่เป็นสละของตนมาเป็นประโยชน์เสมอปัญญาเราลูกสิ่งที่เป็นประโยชน์ไ้าเป็นประโยชน การจํารงราินีพวิทยามานี่เรียกว่าทรัพย์ภายในเอาไปไหนก็ไม่ได้อาจได้เห้งออกไปด้วยติดใจไปด้วยมันคือลรื่องออกไปไร้เทน่าที่ว่าเราเข้าไข่ไว้ม่วยรื่องไปเฉยๆหรือสักการตต่นตื่นพี่ใหม่ สำหรับอาตมาก็ดีผมก็ดีไม่ได้ตื่นปีใหม่ปีไหนก็ปีเก่า อ, ออกพรรษาเขาไม่ได้ตื่นบางท่านบอกว่าออกพรรษาลาพระเจ้าจะลาไปตายทิดไห้ไม่ได้ลาไปทีไหนหรอกกรอนพาไปกรอนพาไปไม่ไปออกพรรษาลาพระเจ้าไม่ลาไปไหนเราออกพรรษาออกตามเดือนปีเฉย โอ้นักเก่งๆนานออกพรรษาเพรอบรมศาสตราออกพรรษาออกจากกิเลตเรามันเข้าพรรษาอยู่ในโลกอยู่ในโลกในโกรธในหลงยังไม่ออกพรรษาเนี่ยไม่ได้ออกพรรษาสติเข้าพรรษาอยู่ในโลกโกรธหลงอยู่ในความหลงในทะเลหลงพระอรหันต์ออกพรรษาแล้วออกจากโลกจากโกรธจากหลงแล้วเข้าพรรษาอยู่ในพระนิพพาน มีความไม่โลกไม่โกรธไม่ลงแตออกก็ูกจะว่าเข้ า, ขาก็ตกแต่วออกอยู่คนละแห่งเข้าอยู่คนละแห่งออกจากเกเรเข้าอยู่สู่ความในความแล้ว่าเข้าก็ตายทําไมมันถึงมีงานมากแก่ในโลกอนี้มันก็โลภมันมีมากมันก็มีงานมากความหวังมันมีมากมันก็มีงานมากถ้าไม่อย่างนั้นมันก็ไม่พอกิน พอมันกินเป็นมันเหมือนพระนี่พระขอเขากินได้โยงขอเขากินไม่ได้จำเป็นต้องแบ่งเวลาหากิน้าอยู่หาใช่หารอยพระขอเขากินได้บางท่านมาถามถ้าไม่มีใครทำอาหารให้จะกินอะไรเขาถามไม่มีทบบานไม่ได้ไม่มีใครทำอาหารให้ถ้าไม่มีอาหารจะกินอะไรถ้ามีแต่ข้าวเขากินแต่ข้าว ฉันจะข้าวถ้าไม่มีอาหารก็ฉันกับเกลือถ้าเกลือไม่มีอาหารก็ไมีมการฉันอะไรนอดพ่อมาตายแล้วพอตอบยางไงแล้วก็ตอบอยัง ไ, ไนงไนอดนพ่อนาตายแล้วออไนนาาแวปแนงคิดไหนจะให้คน นาเดีแข้งเดียขาให้ให้เขาการาบไหว้หจนมือเป็นหมอนแล้วจึงจะพอใจปฏิบัติเพื่อคนทุกข์นะว่าใต้ท้องสารตายแล้วเกิดตายแล้วเกิดตายแล้วเกิดมากกว่าไม่เห็นไม่ตา ย, ยาท่อหมาส ม, มุติล่อขนหมาส ม, มุติเราก็ม า, าปฏิบัติเพื่อคนทุกข์เขาเอาอูคัมมาหามเราไปท่อรอกแแ่ไปถ้าเกเรเราจะเป็นฝ้าแผ่นดินเราจะได้อะไรเพราะทักกอนั่นเองนั่นอันนี้ก็สสาคัญมาก ยอมตายไม่เสียดายแกชีวาเพื่อรักษาอิตระขณะไทยสมานสามวิธีให้ดีอยู่แะสู้ศัตรูฆงาลายได้ควรคิดจำหนงจงใจเป็นไทยจนสิ้นทช่วดินฟ้ารักพระพุทธศาสนานบธรทมจำหนงด้วยจิตและตายว่าจา ธรรมะคือกุณากอส่วนทอบสาปอบุกเจดวงประเทศชั้สวางสองศัพด์สันดาสว่างกระจ่างใจมันทำใด น, นับโดยมักฝนเป็นแปดพินเดนแลวก็ศักดิ์สทาง์นลัทธาส้ยาโลกอดุดงพิสดารอันเลิกโอราที่สุดที่เสีสุดสายอีกถึงตนตา ม, ต ม, ม, มาองไรนาวขนานฐานไทยปฏิบัติป ร, ริยักษเป็นอ คือทางจำเนิองนุตจักรให้ร่วงรุกรอยังโลกอุดรโดยตรงข้าขอโอนออนมุตจนงนนบทำจำเนืองด้วยจิตและตายว่าจารัชการที่หกข้ามาท้สองอะไจำได้ตั้งแต่เราจำได้ถ้าผมสองไหวพร ะ, ะพระจะที่ดวงใจทําไมจะไม่ไหวทําทไมจะไม่กราบกราบก็กราบใจของตน พระพเจ้าอยู่ที่ดวงใจคุณพ่อคุณแม่ก็อยู่ที่ดวงใจอืคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายคุณท่านผู้มีคุณรวมลงอยู่ที่ดวงใจของเราอยู่ที่พระพุดประธรรมพระสงฆ์ไม่แสดงกันเลยนะขอพุทธพ่อทรรโมสังโฆขอผมผอเลี้ยฟันของท่านยืมมาพักนาบ้างแก่สองดอกของใครเข้ามานันมีอยู่แล้วจะไปยืมของใครเรามีอิสระอย่างเต็มที่แล้ว เราเป็นคนไม่บ้าๆใช้จลิติมอขอยืมเราาให้ใจท่านมาด้วยอ่าเดี๋ยวจะเอาไปส่งเราเราให้ใจเขาที่ฉันไม่มีเขาผมไม่มีมเราให้ใจเรามีอยู่นีเราไม่เ ร, เราเราไม่ใช่จมูกหมาเนี่ยเราไม่ใช่จมูกหมาเวลาดมอุจจาระจึงจะรู้จกากข้มีจมูกมันก็ไม่ถูกน่ะ ทำเดียวไปที่พ kh kh ึ่งของตนจงชนะความเกียรติข้านของตนด้วยความขยันของตนจงชนะราคะของตนโดยความไม่ราคะของตนจงชนะความโหดร้ายของตนด้วยความเมตตาของตนจงชนะความละเลยควัวพันในวัฏฏะสองสารของตนด้วยความเห็นโทษในวัฏฏะสองสารของตน ตรงชนะความหลงในวัฏฏาสงสารของตนด้วยความไม่หลงในวัฏฏาสงสารนะ souvenir, ของตนตรงชนะความใจความนอนใจในวัฏฏาสงสารคือนอนหลุ่มฐานเพลิงด้วยความเห็นตามเป็นจริงไม่พอใจนอนหลุ่มฐานเพลิงในวัฏฏาสงสารยังไม่มีญาณว่าลุดพ้นในวัฏฏาสงสาร จะสำคัญว่าตนเป็นคนฉลาดซกเพียงใดก็ตามอันนั้นไอ้ง่ก อ, อสำคัญมากเดี๋ยวจะเสียใจในภายหลังเน้อพอเรามาบร่าโมล่ามว่าลูกถอนเขาสัญญาเต่เอาอา้วนจากอเจ้าแนรับร้าย ล, ล, ล, ล, ลื้นพ่้องแล้วหล่นเขาสิ้ไม้จกคนพวอเล่ทั้งตาราง ลูกใช้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ตื่นนะพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เพราะเชื่อวาจ้าคนเพราะเรงทั้งตารางเพาตายมพราะจเอาไปนออนทีกิดินน่นะพอเขอ้าไปใไแม่เข้าไปใช้ปูเข้าไปใช้งาเข้าไปใช้คนเกิดมาคนพิธีไปทนันสันหอดบาแบคล้างหนุนย่ำพายา่ำหน้ามากสัน อย่าให้มีมือยัดซิบมือมันมือนึ่งซือเสียมมือนึ่งซือกระตามือนึงแบกไทยถ้าไปกับพ่อเกนบภาษีพ่อแม่เข้ากันแล้วเอล่าพ้นไปพ้นได้อย่างพ้นเรียงเข้ายังพ้นก็เมียดแต่แบกมือเป็นแซไปตัวหันเ้ากันที่ซื้อกันก็เพิ่นกุศลพ้นบนไันไหนพ้นเฮดไวล่พ้นกรสีไ้ไปพ่นบริเฮดพ่นกระไรไปสียสัง พ่อทาม่าเลยะไปเขาซอยอ่ะพวกเข า, าพวก เ, เขาดื้อเขาซอยแน่ไปฟังร่ำมันนะพวกท้าไปฟังร่ำหมดถือแพร่เข า, าท้าวที่ตายมานางฟังร่ำเหมนกันเขาว่าพิภาษาตาแตกบมเือนบมอกันเขาเ่าอย่าแพร่เปลี่ยนได้ขั้นเ่าท้าที่ตายมานางฟังร่ำพิภพซาตาแตกบวมหมือนห้อเขาวา่า คนหนึงจมดูสั่เท้าย่งางเศามากพอมองเข่าจมดูสั่งมองเจ้าสั่งเาที่ไฟยุ่จมไปจมมาไม่สักที่ไฟแล้วสั่เพรานเอา่างไปว่าอ่าน ม, ม, ม่เขาางว่อ่านหาสี่ระต่เหรียญสองสลึงตะเกีไปสา ม, มาจมไปจมมา เอกูได้จะตงค์ตัวแต่ไดหัวตำรวจนั่ น, น, น <c oughs> คนเข่ากับมาจากคนนุ่มทันแล้วคนตายกับไม่จากคนเกิดทันน่ะไม่ต้เข่าแก้ก็บตายน่ะในโลกอันนี้จะเสื่อมหลายมันเราหลายมันหลายมาามาามไม่จะข้อมบวมบวมเที่ยงไม่จะทุกผู้ใดเห็นทุกจะเห็นข้อมบวมบวมเทียงเท่ากันผู้ใดเห็นทุกจะเห็นโลกเท่กันอ๋อ ฉันว่เห็นทุกักอนมันก็บว่าอย่างนี้จากโลกหรอว่ายังไงสั่มันต้องเห็นทุกสักกอนมันจังสีอย่างนี้จากโลกมันจังสีอย่างนี้จากโคบล่งจากคลองมาโลกกรม้ก็โคบล่งจากคลองมาละคของสัมผัสอ้อมเป็นสุกผู้จะใกล้เน่ะเอาเอาผ้ามาให้น้ไผ้ามาให้ไครจไปใกล้ถอยใจมาทาเฮ็ดว่ถือกัไม่ได้หรือไงน้ำผ้มาให้หรว่ายังไงสั่ง้องอันไหนเขาจะหักท่อร่างกายว่นก มันนํามาไพ่มาให้มันก็มาปวดมาเก็บมันได้น่ะนั่นคนใกล้คิดจะเอาไพ่มาให้แต่ว่าแมนมาว่าอีกกับแมนอีกแกเก็บตายแล้วเก่ามาให้ได้ทีว่ายังไงสิจิตใจเมือนีกัน่ะใกล้คิดเท่ากันยังกันคุณมาหันโทษอานั่นจิตใจท่ำท่ำไปทา้งถธอมันก็เป็นคุณมาหันท่ำไปทั้งเพื่อก็เป็นโทษอาหนั่นน่ะไปผูกข้อตายมุ่นขยาจมุ่นอ่ะพลาไป ของสานวานะพ่นจากกิเดสก็ไม่ใจ่เป็นผู้นเมื่อพ่นจะพ่นจะพ่นหลงก็คือพ่นจากจา ก, งงกิกดเดสมันแก่พ่นหลงเลยเนี่ยว่มันจะมาเพิ่มพ่นหลงเเนเกิดมากทำร้ายโลกโกรธหลงว่มันจะเกิดมากมาบวบมอกพุ่นโลกโกรธหลงเพื่อที่ทองเที่ยวในวัฏสงสารเองเกิดมากเพื่อที่อาศัยวัฏสงสารนี่ยอยู่ พ่อแห่ปฏิวัติก็พน้นหนีไปซื้อว่างกันโด น, นวังอาสิมาเป็นเพจอยู่นี่ตายเขาขึา้นอวสิมาเป็นเพอยู่งพูดกับพ่อเนี่ยเจ้าข้ามันสิเป็นแดงตัวใหญ <c oughs> ่าจัดอกหรอเสเรพรี้ี่ยนเกินง่ายเพราะงี้หรภาวนาภาว่าทุกทุกความเขาให้ใจเขาออกกันเพื่อได้จะคนทุกง่ายที่นาทุกทุกทุกทุมเขาร่มให้ใจเขาออก่คนทุกง่ายหอคนน่ะ ยันาอันนี้จังพองเขลมให้แกเขาออกไบ่เที่ยงบ่เที่ยงบ่เที่ยงบ่เที่ยงพองเขาลมให้แกเขาออกผู้นั้นสามหมดแลไม่แก่ขาดแอ้วพี่ยะนหาพองเขาล้มให้แกเขาออกอย่างวะไม่ใช่เล่าไม่ใช่ของเลาเป็นแต่เพี้ยงมาประกอบทุกเป็นแต่เพี้ยงมาดีหน้าอยล่มเป็นแต่เพี้ยงมาหลุดหลุกันหน้ากันในื้อไม่ใช่เล่าไม่ใช่ของเราเป็นแต่ซักว่าลุเป็นแต่ซักว่าเห็นเป็นแต่ว่าปลรูเสื้อเป็นแต่ักว่าเห็นใเสื้อท่านตายก็ว่าม่เสเอาปลูกผู้เห็นไปใผานผาแล้ ทิมม็แน่โลกนี้างทีเอาผู้ลูกผู้เห็นไปพนพระนันนกับพรนีพระกับตายเยอตายตายากโครดอกเอาผู้ลูกไปนั่งเขาสูพร น, นี่พ้มันได้เอาผู้ลูกไนั่เนี่ยมันเมื่อยตัวลูก น, น, นั่นงลูนี่สมอยวันเมื่อยความรูกอันเนี้ยนี่เป็น เ, นเพจเฟายุผู้ลูกจะไหนเขาเขาสู้พรเนิ่าพันกะ็เป็นท้ำมันรว่วม็นได้สักว่าลูกไม่ได้ซักว่าเห็นพวามเขาล้มหากใจเขาออกับผู้ในพระว่าน่าะตายข้าหารกหน่อยคุณเล้ยพระนิ่ยพระเหมือน วิญญาณปฏิสันธ์่ปฏิสิบวัไหนเนี่ลูกก็ส่งขึ้นให้ลูกเห็นก็ส่งขึ้นให้เห็นก็ลมส่องขึ้นให้ล้มถ้าคิดก็ส่งขึ้นให้คิดซะมก็เย็ดถือเอาเป็นเจ้าของคิแต่เาว่าิดพุลูมันถ้เาว่าลล้มมันถ้เาว่าล้มเลามันแ้าเสาเล่าเขาเป็น้เาว่าเขาตามสมุดมือกู้ได้เป็นเจ้าของเกิดขึ้นมาแล้วก็แตกสลายเมื่อต้องพุลูนมันเกิดมันดับเป็นคือสั่เดี๋ยวมันกระลูนเดี๋ยวมัากระลูนนี่นั่นหละตัวาสต์ตัว อันละเอียดละโพูนี่ย่นท่สัพระหั์พจนบทิษด่ในโพลูสันพจนบติษดีในโพลูสุขพจน์กบฏทิศทุกพจน์กบฏติศอุเบกขาพจน์กบฏิแต่ว่าอย่างไรสัมเห็นเป็กเกิดเห็นเป็นเจ้าซักว่าเห็นกินเป็นเจ้าซัว่ากินนางเป็นเจ้าซัว่านางนอนเป็นเจ้าซักว่านอนพจน์ตทิษีเป็นไหนวินิจฉัพจน์กบฏิศเป็นไหนเนี่เพราะมันไปยั่งเพ็นสัเพราะพนเห็นค้อมบําบัดบะเทียงเป็นหลักมโนใจของเพื่อนมันก็เลยบ่หลงกเที่ยมมันพนก็ะลยบ่หลงกุเที่ย คนไม่ควมยินดีในในโลกทั้งอดีตตั้งอาณั้งปัจจุบันเพื่อจะเข้าสู้พันธุ์านเทานันแหละาต้องขัดไปห่างออดีตเป็นยังกองทุกข์ที่รงมาแล้วโอ้วัน้อาาคตยังกองทุกข์านมาถึงปัจจุบันกองทุกข์ที่กำลังบยู่นี่ขันว่าเห็นกองทุกข์ทั้งสามการสัตแล้วเห็นโลกเห็นอดีตโลกอาาคตโลกปัจจุบันสัขึ้นกันแลันควมยินดีวัตถิมาตประตูใดสั่ควร้องวัติมาตรประตูใดสั่ง เาเห็นซหรพ่อเขาเข่าลราบอกเขาับกบว่าแต่ว่าลรเขา บ, บ่เป็นของทุกกับสันตทดังะด้วยควัมท่เีตายนก็ระบอกว่ทุกั่นนย่ที่เีก็กดดรนเาน่าเม่่น้ไปประทุบ ป, ป, ประชุบนะขอโททัโมทั้งพอ่อทโททั้งมทั้โคอย่า้องกันละแต่วาสิบวัคซีีผู้มาหลายประเหรอว่าที่เขานั่น กําลัร่มรับเะาบ้างครัอขาได้ห่ดหัขวข้าแรนไปแรงมากเต้นออกกลมหัวพยานที่ให้เนี่ยพยาเสียเปรียบขึ้นมานําไงยไปไปห่อนเมืองจักเขิน่นเนี่ยไปห่อนเมืองจักเขินทไปเห็นเห็นอันเห็นหุ่งยินค้นกองเขาดูไวท์ทออย่างนี่น ไปเห็นกล่องเล่นนั่งแขนอยู่แล้วไปตีกลองลนะั่นดูร่าหุ่งพีเงี้ยยังไงนะอยากอันไหนก็ต้องมากินเงินทอนนะครับแ่เดี๋ยวเกินคนอิ่มหมดแล้วมันมิมา ก, กินกู้งก้าวอีกหรือเคล่าข้นยังผู้หญิงหุ่งกินข้นเน้่ยเขาเลยกรฝากไว้ในกล่องเอาหน้าเข่าหน้นท่าเพศก่อไงเงินฝากไว้นี่ เทวดาดาวโซเดียมนังเอาเล่เอานั่งทับกองนั่นตะกี้ซื้อว่านั่งพัดทูมมาแล้วก็แม่พระพุทธเจ้าห้อง่ะเคยเป็นแม่พระพุทธเจ้าเอามาทศกัณฐ์ก่อนแล้วไปฝากไว้ในในกองน่ะในหนังคือจัปลาที่เท่าอ่านัาที่ตนเคยจอจอกองออกมาจอกอออกมาแล้วไปเห็นคนอยู่นครับว้าโยนี่จะโดนเนี่ยขน่อยนะครับ เราหุ่งออกไปกินวัดแ่พเอามาไว้หน้าข้ากล่องไม่ยงีเลยได้ซื้อนั่งข้าวกล่องฮพี่าเลยเอาไปเรี้ยงสนอหรือเรืเ่องเื่อจักขินผุนได้ซื้อน้่งข้ากล่องะแต่ว่าจะฟ้องคนคน่นคนทีนั่า้ากล่องในนงบุนกล่องเลยนะกล่องมันกันกล่องนะมันตัวนะล่อเรื่องนะขากล่องมันกล่ององกล่องตัวลอนะกล่องล่อเรื่อตัวล่อเร่องอันนี้นะอันนี้บุญกล่องเยมัน ม, มันกันกองอันนี้มัน <c oughs> มนี่ตัวเทาเอื้นจะน่าขับกองน่าขับกองพอเพราะว่าเท้าได้เรื่องอันนั้นนะไม่แว่าบุญกองเท่าพวกใครด้เอืน้นซช้าันตองคิเรื่องนั้นละ่ะว่าต้อเสื อ, อาต้องเสือผูกเรื่องตอองเจ้าสุดสุดเดียวกันกับพวกกากตระกตตินไงนะ ตัวเดียวกันนี่นะหาบีับากจำเที่ยวไร่ต้องเว้นเลยนั่งเขานั่นทัเพ่กองไงยืนฝากไว้เทวดาดาวโซเดียมคำคาจิ้ตะเกียบพวกนั่นจินมตะเกียพวกภาษาฝากอีสานปอกล้าคากไปเนั่นทัเพ่นั่นทัเ พ, พ่ไปว่าของนั่นทัเพ่กองไงยืนฝากไว้ยืนฝากไว้เทวดาดาวสซเดี ราชธรรมไมางาอื้งั๊บตุต๊บ ต, ต, ต, ต, ต, ตะตพระมรณะภาพสององค์วิธีธทำชาพรณ ก, กิตอย่างนั้นอย่างนี้ไม่มีท่านไม่อธิบายถ้าอธิบายก็กระเทือนโลกเกินไปอันนี้อธิบายเลยแตกเป็นแตกหักเป็นหักแต่ท่านก็มาเห็นว่า อ, อะไรพระท่านก็บอกว่าเราพูดขนาดนั้นเขาก็ยังโกลมตีอยู่แล้ว ถ้าเราพูดตามมันจริงเขายิ่จะโจมตีมากกว่า น, นั้นท่านพูดอย่างนั้นทีนตอนหนังสืออันนี้ก็ไม่เห็นท่านคัดค้านอะไรท่านก็อ่านจบแล้วนะเห็นคัดค้านแล้วแล้วท่านก็บอกอยู่สมมุอ ว, ว่าเราพูดขนาดนั้นมันก็เป็นปัญหาอยู่ยครับมอรวอยู่เลยมลมอรวทักษิร เราจึงขวัญปนไหวที่นี่หลวงปู่ก็เลยพูดเตลิดเปิดเปิงเลยไม่ไหวเลยเข่งเล ย, เล ย, เ ย, เลยแฉบางหลังเลยแฉเบิ้งหลังอย่างทามพิสดาประปนกันมาขับประวัติของหลวงปู่ทําไมถึงเอาประปนกันมาเพราะว่าในยุคนั้นมันประปนมาอย่างนั้น ก็เลยตามเช่อนอย่างนั้นท่านก็ไม่เห็นว่าอะไรหลวงปูเทพกม็มาได้นว่าอะไรหลวงูมหาก็มมาได้นว่าอะไรนี่แต่หัว เ, เลาะหัวเฉยหัวเลาะยิ้มทําไมท่านถึงทําอย่างนั้นก็เพราะท่านพูดไม่หมดท่านพูดไม่หมดท่านเกรงว่าจะกระทบกระเทือนโลกปัจจุบันท่านก็เลยเลี่ยงไปเลี่ยงไปว่าในยก บ, บ้านน้งผื้น มีพระวร น, นาภาพสององค์องค์หนึ่งคือแปดพรรษาก็ถวายพระเพลิงในวันนั้นท่าได้กล่าวไปแล้วองค์หนึ่งก็เก้าพรรษานักธรมเอกก็ถวายพระเพลิงในวันนั้นสองพันสี่ร้แเก้าท่านไม่เล่าไปซะตกลงเรื่องชาบนกิจของพระกรรมฐานก็เลยเป็นเรื่องใหญ่โตโหถฐานมาจนถึงทุกวันนี้นะจะทราบ ด, ดีอ่านให้ชัดอ่านให้ชัด ไมคิดว่าพอกอ็มาปลู่ปฏิทานัะไรบนเสวยด้วยการให้ส่วนบุญปฏิทานไรบนเสวด้วยการให้ส่วนบุญในพระพิสุสมเณยไม่มีหรอหรือพระพิสุสัมเณยมีอยู่ปฏิทานัยส่วนขัลวานเขาจะเอาไหว้พันปีก็ยังมีเกียรติ ส่วนพระเอาอะไรมากเท่าไรก็ยิ่งไปหนักยากโยมเพราะชีวิตเรื่องรถเือในพระพุทธศาสนาก็ปรากฏว่าถ้ามหากัตปะตามตำนานยังไม่ได้ทนถวายพะเพิงเพราะเหตุใดจึงเป็นอย่างนั้นตามตำนานตกตกหล่นๆมาเราก็มาเดกกันชัก โต๊ตหล่นๆมาในระหว่างภาษีอริยะเมตตาธระมหาคัสสะแต่ว่าเป็นจริงหรือไม่เป็นจริงเราก็ไม่ทราบแต่ว่าได้ยินโต๊กๆหล่นๆมาแล้วก็มาได้เหตุนในํานานอีกด้วยพรเราเรียนน้อยภาษีอริยะเมตตาที่ท่านท่านกําลังสร้างบา ร, รมีอยู่ธรรมหาคัสสะก็สร้างบา ร, รมีอยู่ ในสมัยนั้นพระมหาคัตปะเป็นช่างพระศิษย์อริยเมตไตรทำารเผาเล็กแดงแล้วให้ช่างตัวนั้นกำเล็กแดงไว้ครเวรอ้นั้นจึงตามมาถึงแล้วพระศิษยเ ม, ยมตไตรจะได้มาถวายพระเพื่อพระมหาคตปะจะแต่จะจริงฤทธิเท็จเราก็ไม่รับรองอันนั้น พราเราไม่ได้เห็นในหนังสือได้ยินแต่คนพูดมาครูบาอาจารย์บางท่านก็พูดบางท่านก็ไม่ได้พูดเพราะไม่กล้าถามท่านเพรเกงว่าท่านจะดุแต่หลวงปู่มั่นก็ไม่ได้กราบเรียนท่านหลวงปู่มหาเ็าไม่ได้กราบเรียนแต่คนอื่นได้ยินพูดอยู่พอเราถึงท่านเราก็เลื่มไปชะถึงแม้ไม่เรียนมก็กราบเรียนก็เกรงว่าท่านจะดุ เผาหรือไม่เผามันเป็นปัญหาอะไรถ้ามดที่เดนแล้วมันก็เข้าสู่พันธุ์นเกียงท่านจะตอบอย่างนั้นก็คือไม่ไม่รักษาท่าน <c oughs> บอกว่าพระศรีเมตไตรจะได้เอาศพพระมหาคัจปะนะนั้นมาเผาใส่ฝามือไปมาถวายพระเวรใส่ฝามือขององค์ท่านแล้วก็ไม่ร้อนเพราะเป็นเวรที่ให้ช่างจับ กับเล็กแดงนั่นเองพอสมัยนั้นท่านไป็ข้าจะมาส่งเวรกันอะไร น, นจะเป็นเริงสักอย่างไหนก็ไม่ทราบเช่นเรื่องที่กาว่าพระโคดมของเรานะ่ะไปรับเอาดอกบัวของพระศรียะเมตย์ไตเขาหมือนกันเ อ, อแล้ ว, ก, วก็ได้ตัดสรูก่อนอ่อยนะความเี้ยงพระศรียะเมตยแกได้ตัดสลูก่อน แต่ข้อนี้มันหลวมเราก็ไม่น่าเชื่อเราตอนข้อนี้เพราะธรรมเนียมของพระธมามท่านพุเทธเจ้าของเราเป็นปัญญาธิกะต้องตัดสรูุ้ดได้เร็วสร้างบารมีเสียสงไข่แสนมหากัรพระศรีเมตไตสร้างสืบเปล่าสงไขยวัชพกสงไข่กับแสนมหากัรที่ออกปากแล้วที่ไม่ออกปากก็ไปกว่านั้นเราไม่ได้กราบเรียน ตัวอาจารย์ที่สั้นตัรูมากเป็นจริงหรือไม่เป็นจนริงเพราะพมหาคัศปะนั่นท่านบาลีนิพานที่เขาสามยอดอยแล้วก้าท่านก็อธิษฐานในเขาสามยอดนั่นงุบทางสายการเลยลคอยนะแล้วว่าคอยภาษีเนี่ไม่ใหคอยนะ แ, แต่ว่าจะเป็นเท็จริงเพียงไหนเพีองเพียงไหนเราก็ไม่ทราบได้เพราะเป็นเป็นเรื่อง เกี่ยวกับประวัตนนิเป็นนิยายก็ว่าได้จะเป็นนิยายคำว่านิยายเป็นนิยายเรื่องจริงก็มีเรื่องเท็จก็มีเหมือนกันมันเก่เาเป็นประมาณไม่ได้จะอย่างไรก็ตามการชาประดิษิ์ของพระพุทธสูงสำหรับใจของเรา จะถูกหรือผิดก็ไม่ทราบเราหนักไปในทางถวายพระเพิงง่ายเพราะเหตุใดเพราะเหตุเพราะว่ารามาาัสสดาของเราเนะ่ยมีเครื่องหน้าพิจารณาองค์ท่านเชินพระชนมายุ ก, ก็เจ็ดวันเท่านั้นแต่ยังไม่ถึงเจ็ดวันพอถึงวันที่สามมันกกรักษา มรรคกษัตริย์แปลว่าพวกพระบรมราชาวงศ์ในเมืองกุสินาราที่เรียกว่ามรรคกษัตริย์เป็นพวกกษัตริย์ mm. ก็ถวายพระเพลิงแต่วันที่สามแต่ไฟไม่ไหม้ถึงสามครั้งไม่ไหม้ถวายพระเพลิงพอพระบรมศาลาขึ้นลงฟานแล้วเป็นวันที่สามถวายพระเพลิงม่ติดเลยไฟ ไว้ก็ไม่ติดสามครั้งไม่ติดไม่ติดก็หยุดมีปัญหาว่าเทวดามื่นโลกธาตุมาอยู่ในที่เมืองกุชินาราบรรดาลไม่ไฟติดเพราะเหตุใดเพราะพระมหาทกัปะกกำลังเดินทางมาถวายพระศรีอาถวายพระพ บ, บรมสพยังไม่มาถึง ทเทวเทวดากคมาดารมาให้ไหมว่าอย่างนั้นเนะไม่ใช่รีบเด็ดของพระบรมสาสดร า, ศาเป็นเทวรศาหมื่นโลกธาตุไม่ยอมให้ไหมพอพระมหา็จะปะมาถึงแล้วในวันที่เจ็ดนั่นเองก็ปกระกาศพระศบของพระบรมศ า, ศ า, ศารีราพ่อปิดด้วยรางเหล็กศบนั่นเอาผ้าห้ารอยชั้นชุบด้วยน้ำมัน ลงหอในพระกระลงนั่นก็ปิดด้วยฝาพอพระมหาคัจจปะมาพ้อผมกบพิชซูห้าร้อยองค์มาถึงแล้วก็กล่าวด้วยความเคารพไม่ใช่ปาลบผีไม่ใช่พูดกับผีพูดด้วยความเคารพเปล่งวาจาด้วยความเคารพก็ก้าวไม่ค่ายมาปฏิบัติองค์พระบรมศาสด า, ษ า, ษา ก็อยู่ไกลภูเขาทดร่างเก้าอันใดมีเจงทขงพระกรณาภูรดเกล 9, ้าเทิที่นี่ฝาเข้าของพระ อ, องค์บรรดาลฝาปิดข้างโลงข้างบนก็เปิดออกเองดูพระบาทขึ้นหนี้รับรับกราบไหว้ขายสารพระเจ้ากระ ลงกดลงทีดเองขวาเขาปิดตามเดิมเองพอพอพ่อหาคัตฝะถอยออกไปไฟก็ลุกพึก๊บขึ้นเลย<ม>ไฟเดือนหกเ็นเดือนหกเพนเพนอะเรมเดือนหกเรมเรมเจ็ดค่ำ น, นั่นเอง อเอาเพเรียนหกเป็นวันสิ้นลมปาณแล้วก็เก็บศพไว้เจ็ดวันที่แรกก็สามวันเขาออกไฟ์ไปเผาไปถวายรัตนไมาติดเก็บไปเจ็ดวันนี่กระทอดงศงให้เห็นว่าแม้รั้งพุทธกาลไม่นิยมเก็บศพไว้เพราะเห็นได้พระราหุล เดี๋นี้มีวดแล้วไปปรลิทธิพานที่ดาวดึงขงโมกคลาการาชีลาข้างภูเขาคิจกูดภาษาเรีุตรห้องประสูตรมันดาเขานึกถึงมันดาจะไปแทนคุณมันดาจะไปปรลิทธิพานที่ห้องประสูตรองค์ท่าน และองค์ท่านยังไม่สมัมฤทิพระโสดาวันและเจะ้าอวายประเทศเราองค์ท่านให้สมัมฤทิพระโสดาวันอะอย่างนั้นภาษาในบทก็ถ้าพูดจำยาของเราเราว่าลงท้องหมดคืนเลยหรือจะว่าจำยาเขาเรียกว่าโรคอาหฮวาตะโกโรค ที่นี่ก็ไปเทศเอภิโมพร ม, พมานดาสมเร็จพระโสดาบันส่วนพระโมคคัลลาไม่ได้เลยมานดาท่านเคยเป็นพระมานดามาพระมานดาพระรหัสมาถึงเ็ตชาติแล้วก็ยังไม่เลื่อมใสพระพุทธศาสนามานดาของพระโมคคัลลา เป็นบุพกรรมอะไรพระโมกคลาจึงได้ไปเกิดในมิช้าทิฏฐิอย่างนั้นเราก็เรียนไม่ถึงซักตอนนี้ไม่ได้ก่าบทูลครูบาอาจารย์อีกแล้วก็ไม่รู้จักกันคงจะมีบางการบุพกรรมแต่ละอย่างย่าต้องมีบุพกรรมพระเจ้าพิพิสารมีที่ถูก ลูกเอาเกลือไปทาฝ่าเท่าลอกหนังกาใส่รองเท่าใส่บาทข้ามแต่ข้ามพระพุจะองค์ผ่อนผ่นหยหนึ่แต่รูปกรรมขอ ง, อขงขบรรดาพระพโมกขาลิษาในบุตร เรามาได้ทราบสัะแต่เขามันเป็นเรื่องของท่านแต่มันก็เป็นเรื่องของเราที่จะรู้จักบ้าถทาไม่รู้จักบ้างเขาไม่มีสิ่งที่จะซํำเนียทีนี้นานาพิมพาไปขอคขำมาโทษ ต, ต่อพระบรมศาสด า, ศา ชาติไดเป็นพระเวทสันนดรก็ดีทุกๆชาติทุกๆภพบดิฉันชาติเป็นแพะทีฉันได้ประกวนน้ากินก่อพระสามีเป็นน้าขุนโทษร่างก้าอันไใดอันมีอันใดมีก็จงลง โ, โ, โทษเจ้าเนอชาติเป็นพระเวทสันนดร ไนร้องไห้หากันนางกันหาและชายีโทดยังไงมีก็ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าเฝินทำไมถึงไปทำวัดกันทำไมตาคนต่างเป็นพระรหัรแล้วจะเอาเวรเอากรรมกันทำไมมันเป็นธรรมเนียมของพระอริยเจ้าตั้งหลายที่จะทำวัดกันและจะต่ออนุสนทิสะพานให้อนุชนรุ่นหลังไว้ หรือจะไม่ทำวัดก็คงไม่มีเวรในภายเก่กันทำมหาคัตประาก็เหมือนกันทำว่าเป็นสะพานทอดสะพานให้อนุชนรุ่นหลังให้มีสูงมีต่ำให้มีเคารพกันจึงถูกก็บคคำว่าอภิจายะนไมวุฒิเสจประาารการประพฤติถ่อมตนแก่ผู้ใหญ่เพื่อมาให้เพื่อให้ ม, มีเพื่อมาให้มีคติมานะ่ะ ในระหว่างพ่อครับแม่ขรับบ ร, รุษมศตราครัสอนพวกที่ถือว่าท่านเรี้ยงมาเป็นเรื่องของท่านเป็นเรื่องของท่านเรื่องเราจะตอบแทนท่านมันตก็เป็นเรื่องของเราอีกเอนกันถ้าอย่างนั้นเรื่องเขากราบไหวกับ เ, เรื่องของเขาเราอย่าไปยกมือใส่เขาสิเนาแล้วก็ต้องยกมือใส่เขาเหมือนกันวันท้าโกปริวันธนัง ผู้ว้ย่อมได้ว่าตอบท่านเรียกมาแล้วเลียงท่านตอบทำกิจธุระของท่านดำรงวงตระกูลเราพื่นตนจะเป็นคนควรเราทรยบหมอแล้หรอกเมื่อท่าน่วงรับไปแล้วทำบุญอุทิศให้ท่านเปนท่องสอนของพุทธศาสนาสอนบุตรสวนงางดานวิดามาน า, นานหนึ่งห้ามก็ทําความชั่วสองให้ตั้งอยู่ในความดี สามให้ศึกษาศิลปะวิทยาสีหาพันยาและสามีที่สมควรให้ข้อ 5. ห้ามอบทรัพย์ในในสมัยวิรามานานี่เป็นคำสอนของพุทธศาสนาคุณของวิรามานาเปรียบเหมือ น, นคณพระหังใครประกัมกายไม่ได้ไม่จะเลืมาจาพูดอย่างนั้นพระบรมาาศาสนาเราเกิดมาพบได้ชาติใดไม่ทิ้งวิรามานาเลยชาติเป็นนก แขกก็ได้ไปคาบเอารวงข้าวของชาวนาที่ตกหล่นอยู่มาให้เวลามารดากินชาติเป็นลิงก็ได้ไปหาผลไมใ้ในป่ามาให้เวลามารดากินชาติเป็นโคเป็นกระบือไปเห็นหญ้าที่ไห น, นงามๆก็กินวนกินเวียนอยู่พอเวลามัรดามาถึงแล้วก็ปล่อให้องค์ท่านกิน แล้วก็ปัญหาที่ใหม่คุณวิดามันดาเปรียบเหมือนคุณพระหังเราเกิดมาพบได้ชาติใดไม่ทิ้งเลยจะพูดนังนันชาติที่เราไม่มีวิชาอะไรมีวิชาหาปืนขายเท่านั้นวิดามันดาก็ไม่มีมระดกอะไรให้แล้วก็ไม่ทิ้งวิดามันดาเระดกของท่านมีให้แล้วคือ ขาสองแขนสองหัวหนึ่งขับเจ็ดใจที่ไม่บ้าบ้ายเสียเฉลี่ลิดผมนุษย์เราพูดอย่างนั้นะเรียกว่ามรดก ข, ของวิดามารดาให้แล้วเ้าไปหาฟืนได้วันละเท่าไหร่ก็ตามแบ่งเป็นสี่ส่วนสมมุติว่าในวันละ12บสองสตางก็แบ่งเป็นสี่ส่วนส่วนละสามส่วนหนึ่งเอาไปให้งูเห่า ถ้ามันได้มันก็หอพฟอพ่อคือภรรยาหส่วนหนึ่งเอาไปส่วนหนึ่งเอาไปให้เอาไปฝังไว้ในพระครังมหาสมบัติคือเอาไปให้ทานทำบุญยินทานในพระพุทธศาสนาได้เข้าเม็ดทักพักเส้นไหนก็ตามแลออกอย่างนั้นอย่างนั้น ส่วนหนึ่งเอาไปใส่ทะเลหลวงคือใส่ปากใส่ท่ะเลมันก็ไม่เต็มการพูดอย่างนั้นทีนี้ก็ส่วนหนึ่งเอาไปใช่นี้คือเอาไปให้เวลามรนดาแล้วเกิดมาพบได้ชาติใดมาที่เวลามรรดาเลยก่อนที่จะพูดอย่างนี้เอาเรื่องใดมาพูดก็มีพิจุองค์หนึ่งบวชเข้ามานะครพุทธศาสนาในพระวินัยพิสกมีอย่างพิสดาร บวชเข้ามาในพระพุทธศาสนาแล้วเห็นเขาเรียงมารดาเวลาไม่เป็นธรรมท่านก็ไปตักหน้ามาให้ท่านหามไม่ได้ท่านก็หิ้วเอาหรือคอนเอาเพราะพระเวเนยห้ามหามห้า ม, ห, ามห้ามหามคอนเอาได้หรือเอาใส่บนหัวก็ได้หรือหิ้ยวออกก็ได้หรือสะพายเอาได้หรือหนุนหลังก็ได้ ถ้าไม่หายมันเหมือนคราวาสแล้วท่านก็คอนเอาฟืนไม่มีท่านก็เอามาให้เอาฟืนไม่ไม่ไม่เป็นไม่ได้ก็เอาฟืนไม่ตายมาให้ืนี่ผ้าผลอนท่อนสบายมาถ้าเป็นผ้าเหลืองพอที่จะซักให้ขาวได้ท่านก็ซักให้ขาวแล้วก็ท่านให้บิดามารดาท่านนุ่งก็ได้เป็นส่วนตัวไม่ใช่ของสงฆ์เมื่อ ได้เว้นทบาทวันไหนได้น้อยองค์ท่านก็ไม่ขันให้เวรามันดาทางเลยถ้าประทานเล ย, เลยแต่มาให้ไ่ไฟไฟพ้าบาตรให้เพราะฟ้าบาตรเป็นที่เคารพคารวะสูงทางหลายขอ้อฟอกเมื่อบวชมาเลี้ยงเวรามันดาเพียบพันวันนะของท่านก็ไม่ค่อยจะพองใสเพราะเป็นห่วงกับเวรามันดามาก พอพอเงีบบางวันก็ฉันอาหารมาอีกเพราะให้เวลามัรดาเสียเสียพันวันน่ะก็เส้าหมอมากเดินยังกคมภาวนาก็าไม่ค่อยจะได้เพราะเป็นกังวลกับเวลามารดาสองเท่าไหนก็ฟ้องฟว่าบวชมาเรื่องเวลามรนดาฟ้องพ่อประมาศกระดาพระก่อทําอย่างนั้นมานานแล้วก็จะกตา เออตอนเย็นเราจะตีะระฆังไอ้ที่แค่พระบรมศา ส, สดาทราบแล้วว่ามันผิดหรือมันผิดทราบแล้วแต่ว่าไตสวนเป็นพิธีเพื่อจะเข้าบายเทศธิาพระพิสุสงฆ์งหลายเหล่านั้นฟังพอถึงตอนเย็นมาก็ตีะระฆังก็มารวมกันพระกอร่อเธออย่างนั้นจริงหรือเธอทําอย่างนั้นจริงหรือจริงกเจ้าฆ่า เธอนึกเห็นยังไงเธอจึงทำอย่างนั้นหนึกเห็นว่าพระเดชพระคุณขององค์ท่านมวมากส่วนพระบิดาก็มีพระคุณมากพเพราะไปหาทางอื่นมาด า, นาอยู่กับลูกอยู่บ้านก็มีความลำบากมากนับแต่ทั้งตั้งครรภ์เข้าในท้องขององค์ท่านองค์ท่านก็ลำบากมาก จะทานอาหารของเผ็ดของเค็มก็ระวังจะร่มก็ระวังจะไปจะมากะทบกระเทือนก็ระวังท่องใหโตขึ้นมาสามเดือนก็ระวังไปอีกท่องใหโตขึ้นมาจนหกเดือนก็ระวังไปอีกมากจนถึงเก้าเดือนหรือสิบเดือนก็ยิ่งระวังมากเรืงจะพัดตกหกล้มเรงจะเป็นอันตรายต่อชีวิตของตนและลูกของตนอยู่ในท้องจะนอนก็นอนลําบาก จะไปอุจจร ะ, ะปัสสวะก็ลบาบากจะนั่งล ง, ลงยองๆลงนั่งก็ ก, ก็ลบาบากบางทีก็คงจะได้คลานคลานปัสสวะหรือคลานอุจร ะ, ะจะนอนหงายก็ลหบากเพราะเกรงว่าลูกจะกระโดดขึ้นไปหัวใจจะนอนตะแคงก็ลหบาก จะนอนข้างขวาข้างซ้ายลําบากท้งนั้นจะก้มเอาอะไรก็ลําบากทางนั้นส่วนวิรานั้นไปหาทางอื่นมาเพียงจะไม่กุ้มลูกเพียงจะไม่คุ้มเมียก็เป็นทุกข์หัวใจมันกันพรามันพระบิดาก็เมือนกันทีนี้เวลาองค์ท่านจะปวดท้องก็ต้องแขวนเอาเชือกแขวนบิดไปบิดมาบิดไปวิดมาก็ผมเห็นอยู่ เห็นคนอื่นวิดาของกับผมก็คงจะเป็นอย่างนั้นกับผมที่หยบแหลมส่วนพระบรมศ า, ศ า, ศาสตรานั้นเป็นผู้ทรงพระมหากรณาลืนเก้าเลื่อนกระหมองก็จริงอยู่แต่เพราะว่าเป็นผู้สั่งสอนทีหลังของวิดามาดาพระเก้าวิดามาดาเขาเก้าเรียกมาแล้ว พบิดามารดาของเก้ามาในเรื่องมาเก้าค็มาได้มาบวชกับพระบรมศาสดาละส่วนพระบรมศารดาเหนือโลกใต้โลกอาท่านยกใส่เก้าสายกระม่อมไว้เป็นคนละส่วนถึงจะองค์เข้าใส่กันก็คงจะเป็นอันเดียวกันเพราะพระองค์ก่อ น, อนบิดามารดาของเก้าก็คงในพรพระพุทธเจ้าองค์ก่อนเหมือนกันเพราะได้ถูกสั่งสอนมาเหมือนกัน ถ้กว่าในเวลาจวนจะออกลูกอืจวนจะคลอดบุตรก็ต้องหาหมอตบแยมาไม่รู้ว่าจะตายหรือจะยังก็เสี่ยงบุญเสี่ยงตําอีกเหมือนกันหัวใจห้อยหัวใจแขวนเป็นทุกข์ทีนี้พอออกมาบิดาก็เป็นทุกข์เหมือนกันไม่รู้ว่า ภรรยาของตนจะยังหรือไม่ยังอจะตายหรือจะไม่ตายไม่ทราบก็มีน้องทำแย่มารักษาถ้าถูกผู้ทุกข์ผู้จนก็ยิ่งล่ายญากิพี่น้อง ก, ก็ไม่มีถ้าขู่คุกถูกผู้มีหมู่มีเพื่อนมากก็มีผู้มาดูมาเลยด้วยก็ผมเลือกไฟมากเท่าไรน้ําตาก็ยิ่งจะไหล ที่นี่เวลาออกมาก็เพื่อนมูดเพื่อนพูดออกมาปวดทวารหนักปวดทวารเบาแล้วก็มาอยู่ไฟแต่คนโบราณก็คงถือการอยู่ไฟเป็นช่วนมากมเหมือนคนตรวันนี้ตั้งยี่สิบวันสามสิบวันละ กินน้ำร้อนไปค้างตัวจนล้างแต่จงร้อนหมดทั้งตัวบางทีก็ทานอาหารกับเกลือเวลาเวลากระผมร้องไห้มาันอาก็ต้องส่งนมเพราะรอต้องมาเป็นที่สบายด้วยมาตะครานได้ทีนี่ ความได้คามเป็นสก็ยิ่งทุกข์อีกถ้ามีผู้ช่วยก็เป็นสถานหนึ่งถ้ามีผู้ช่วยก็ยิ่งทุกข์ใหญ่ก็มือหนึ่งก็อุ้มลูกมุอหนึ่งก็โอกพิกสวนบิดามดาไปหาทางนอกบ้านมาเรียกสวนส่วนบิดาเป็นทุกข์หัวใจเหมือนกัน ไม่รู้ว่าจะอยู่ยังไงครับลูกทีนี้เวลาคานเป็นทีนี้ตาหนึ่งก็ทํางานตาหนึ่งก็ดูลูกถ้ามีผู้ช่วยเหลือก็อ ย, อ ย, ยังช่วยถ้าไม่มีผู้ช่วยเหลือไม่รู้่าจะคานไปเอาอะไรใส่ปากไม่รู้ว่าจะคลานตกหรืออะไรก็เป็นทุกข์หัวใจทีนี้พอเดินเป็นอย่างนี้บางทีลุ้มือออกไปทางถนนกลัวมากกลัวรถกลัวอะไรจะเหยียบตาก็ดูลูก อะก็ทำงานเป็นทุกเวลาลูกร้องไห้ก็จึงทุกข์ใจหิวลงก็ส่งนมหิวข้าวก็ส่งข้าวกว่าจะได้ใหญ่โตมาถึงความบรมศาสดาตนี่พิจารณาไปมากเท่าไรยิ่งหนักใจมากเมื่อเห็นพระคุณขององค์ท่านอย่างนี้จึงได้ทำอย่างนั้นถ้าหากป้ามันผิดก็ก้าผมก็จะเว้นถ้าว่าถูกก็จะรักษาไว้และไม่โกรธ ให้พระพิพุูสงฆ์ท่านมามาฟ้องหรอกครับต่างอยากจะรู้จะทราบในเรื่องนี้ด้วยมีความยินดีพอใจที่สุดถ้าถูกก็จะรักษาให้ถ้าผิดก็จะหยุดไม่มีที่เข็ ม, มานะเลยพระร ม, มศาสดาก้มหน้าสาธุสาธุสาธุสา ธ, สาธุเราเกิดชาตนั่นชาตนี้กินพันนามาดังที่ว่ามาได้หรือนี้ พระภิกษุสงฆ์ทังหลายก็พาคำดีๆเพราะมีแต่นักป่าพูดกันพวกเราถ้าไม่ฟ้องท่านพวกเราเขาไม่ได้ฟังเรื่องนี้พวกเราก็ไม่ได้เสียไปจากท่าน เ, เป็นบุญของพวกเราแล้วก็ได้ฟังเรื่องนี้แต่ท่านก็ไม่ได้ถือว่าท่านชนะพระพวกนี้เพราะท่านก็อยากจะรู้จักเหมือนกันเพที่ท่านถึงจำเริญนะนักป่าต่อนักป่าเป็นอาตกรกั น, กน น่าฟังเหลือเกินพวกทีไปฟ้องก็ไ ม, ม่ถือว่าถูกแพถือว่าได้ถูกถือว่าได้ฟังเทศด้วยท่านมีความดีใจต่างกับอนโมธนาสาธุ ก, กา ร, like ก, ร, าา ร, ารากันเพราะบรมศาสตราคืออนโมธนาสาธุการเพราะเราเคยได้ปฏิบัติมาแล้พวพระาทาั้งหลายเหล่านั้นอนโมธนาสาธุ ก, การพระองค์นี้อนโมธนาสาธุ ก, การเห็นเหมือนกันเพราะไม่เคยได้ฟังในเรื่องนี้นั่นปาฏชมาละเนื้อเรื่องท่านน่าฟังเหลือเกิน เห็นะฉะนั้นคนบิดามารดาเป็นของสูงที่สุดเยอรพโมกคลาประหาณวบิดามารดาจึงถูกเคาข่าอยู่ทุกชาติทุกภพบน่ะอันนี้เป็นเรื่องนิทานอันจริงใน่มีในพระมีในด้วยที่นี้เรื่องอื่นยังไม่อยู่อีกเราเกิดมาในวัดตรทรงสารทีนี่เรามาพบ แต่ทุกอ <ừ, S 1> เราอย่างนี้กับทุกไปเสียเ <ừ, S 1> ราจึงมาปฏิบัติให้ทานรักษาศีลภาวนาเพื่อคนทุกข์ในวัดตาสงสารเราปฏิบัติอันใดเพื่อคนทุกข์ในวัดตาสงสารปัญหามันก็ไม่มีมากมันมีน้อยอ <ừ, S 1> ปัญหาของมันน้อยลงเพราะเราเห็นภายในวัตตาสงสารอยากฝ่าชนาคนทุกข์ในวัดตาสงสาร เราจึงมีทานวัตศีวัตปาวนาวัตมีเมตตาโคโาุณาเมตตาเป็นคู่กับปางานติบาเมตตาการเคารพสิ่งของของผู้อื่นหรือเคารพสิ่งของของตนเป็นคู่กับ อ, อธินาทานการเคารพไม่ล่วงระเมิดไม่สามารถอยจะล่วงละเมิดสามีภรรยาท่านผูอื่นมันเป็นคู่ขันกับ การเมสนุกช้าจา์การพูดแต่พยายามพูดแต่ความจริงมันก็ทำให้หมุสาวาจเจริญขึ้นไม่อยากจะพูดมุสาวาการรังเกียบสุราเมีอะไรไม่ชอบคนเมาในถนนคนทางแต่พอเพียงได้ได้ถูกป่นก็ไม่ชอบใช่แล้วอันนั้นจะทำให้การเมียสนุก จะทำให้สุรา ม, ระะมีระยะเจริญโทษของการปราณิบาทตายไปเป็นตกนรกนานล้านแสนปีถูกพญยายมเป็นผู้ฆ่าขอร้องพญายมว่าค่อยออกไปในโลกเกิดจะไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิต่อกเออเราก็ไม่อยากทำท่านหรอก แต่ในพวกก่อนชาติก่อนของเราเราไม่ได้ฆ่าสัตแต่เห็นเขาฆ่าสัตเราก็ น, นึกจะหยิบใยกับเขาบ้างแต่เราไม่กล้าทําบางที่ก็พึกพิบนึกดีใจกับเขาบ้างบางทีก็เฉยอยู่อา น, นิสงส์ของเราที่ยินดีกับเขาที่ทําอย่างนั้นเองจึงได้มาเป็นขย่ายมอยู่นี่เราไม่รักครับ แต่เห็นเขารักบางทีเราก็เรือนึกยินดีเขาบ้างเห็นเขาประพฤติผิดในกามบางทีก็นึกสนุกกับเขาบ้างบางทีก็เฉยๆอยู่เห็นเขาพูดปดเราก็ไม่ได้พูดปรดดอกแต่บางทีขานึกหลงยินดีเขาบ้างเห็นเขาดื่มสุราเราก็ไม่ได้ยินดีกับเขาดอก บางทีเห็นเขาเจตเ ม, มลิกมเาเราคงอรว่าพอดีใจกับเขาบ้างที่เขาตลกขานองโทษอันันเองได้ให้เรามาเป็นพยาลยมอยู่นี้เราก็ไม่อยากทำเธอว่าเธอหรอกกรรมของใครเข้ามันกรของพวกเธอมีพวกเธอก็ต้องสู้กําของผมมีผมก็ต้องสู้ต่างคนต่างสู้กรรมของใครเข้ามันไม่อยากเป็นเลย โทษประนติบาตมีอายุสั้นเกิดมาในภพไหนชาติไหนถ้ามันมีไอถ้าอายุยืนก็ตามแต่ก็เป็นผู้มีโรคมากเดี๋ยวโรคอันนั้นเวียนเวียนโรคอันนี้เวียเวียนไม่ได้ตายโดยโรคชรลารุ่นลวนถ้าเกิดเป็นมนุษย์ก็เป็นคนมีอายุสั้นถูกเขาขาตายห้ารอยา ถ้าเป็นทับออกกากออกกากนรกมาก็มาเป็นเปรตออกจากเปรตมาก็มาเป็นสัตว์ที่รักฉันถูกข้าวฆ่าอยู่ทุกชาติทุกภบออกจากสัตว์ที่รักฉันมาก็ถูกเป็นมนุษย์ถูกเข้าวฆ่าทุกภพทุกชาติพวกปน า, าธเทวะพวกอธิ น, นาธานตกนรกหลายหมื่นปี เขาตัดมือตัดเท้าเพราะมือมันเป็นรักของเขาออกจากน้ำลกมาเขาเป็นเปรตหลายหมื่นปีออกจากเปรตมาเป็นสัตว์เดือดสารหลายหมื่นปีออกกากสัตว์เดือดสานมาเป็นมนุษย์มาเป็นมนุษย์มีอะไรเขาเขาไม่เคารพเขาก็ไม่ยำเกรงเคารพยกยบห่อกี้พ่นสารพัดโทษกรเ ม, มยังคือไม่แฉจานโทษมากอเองเหมือนกัน รกลรกด้วยถ้าเป็นผู้ชายพยายมก็เอาเล็กแดงไปเฉือนท้องเฉือนองคาชาเฉือนลูกอัน t ะเฉือนร่องโอ ย, โ อ, ยอยู่ที่นรกตายแล้วเกิดเกิดแล้วตายอยู่ที่นั่นเพราะวิญญาณมาอยู่ เกิดเป็นตัวเป็นตนเป็นผู้เป็นคนเหมือนกัรมกในนรกไม่ได้เกิดในครันไม่ได้เกิดในไข่ไม่ได้เกิดในเท่าในไข่ไม่ได้เกิดุดเกิดพุดขึ้นเหมือนเรานอนฝันเนี่ยเป็นตนเป็นตัวไปอย่างนั้นล่ะเวลาทุกข์กระทุกเวลาสุขกระสุขเหมือนเรานอนฝันพวกไปสวรรค์ก็เหมือนกันพวกไปนรกก็เหมือนกันไม่ได้เกิดในครันในไข่ในเท่าในไข่เกิดพุดขึ้นที่เรียกว่าเกิดพุดขึ้นโอปปาติกะตําเนิรดอะไรอย่างนั้น ทีนี่พวกมงสาวาดพยายมตายไปพยายมตัดลิ้นเฉือนปากเฉือนลิ้นน้องตายโ อ, ย, โอยอยู่ตายแล้วก็เคือมาตายแล้วก็เคือมาตายแล้วก็เคือมาจนครบหลายหมื่นปีจึงได้ออกมาเป็นเปรตออกมาเป็นเปรตก็มาเป็นสัตว์เทีานอีออกจากสัตว์เจีานมาก็มาเป็นมนุษย์ที่นี่ มาเป็นมนุษย์พูดสิ่งที่เป็นธรรมเขาก็ไม่เชื่อเพราะอาเนสงที่เราเคยพูดปดนั่นเองเขาเขาก็ไม่เชื่อเขาชอบต้มชอบตุ๋นตุนอีกด้วยนี่อะไรเขาก็ต้มตุนไม่มีทับสินอะไรก <c oughs> ็มาเขาบอกว่าตายแล้วขเขายะมาทำอยู่ มาเขาเรียกว่าตายแล้วไม่ยอาทิ้งลงปานแล้วไม่เอาทำอยู่ใครใครมาเวลาไหนมันก็ต้องทานเวลานั้นเพรมันตายแล้วไม่ฟื้อเพราะถ้าเยินข่าวว่าตายแล้วนะมาเลยไม่ตายแค่ไหนไม่อามาไม่ทำฟืนก่อนครับแล้วนี่มันเปลี่ยนสภาพของของสังขารนะครับของปุ๋มเปลีครับเปลี่ยนสภาพสัง ข, งงขานนรตอนนี้พวกลู้คู่คู่หากอยากจะแค่มาพบกในสภาพสังขารที่ยังอยู่เต็มบริบูรณ์นะครับอมามันก็ ดูไฟแล้วป<บ>ริญญ า, าเราเป็นท่านดิน้งแล้วก็เป็นดิ้งเป็นพน า, าดีเออได้ยังข่าวว่าตายพอมาแล้วก็เป็นท่านดิ้หมดเป็นที่เท่าหมดที่นาพุทอศาสนาเสียด้วยครับ <laughs> ไม่เคดแล้วเคดได้เรื่องนี้พระพันหนึ่งเขาคยพบยกภูมันพระพันหนึ่งเนาะครับ แตวเราลงเพียงแตงบว่านั้เราลงในกี่าบอ์ดครับร <c oughs> ัพันหนึ่งกองตักน้ำรับกองรับแพนี่ก็กองน้ากกระถนมาตื่นขึ้นมาก็เอากั น, <อ>นขมับนี่กว่มหมดนี่แต่อาหารไม่มาไ ม, ม, ม่มีรบเลยคนอายุขนาดส0สิบเกือบตายปีหน หลวงปูดองค์ท่านบอกว่าอย่าเอาไว้นานเนอท่านบอกว่าถ้าเอาไว้นานแล้วสา ก, ก็จะตายมากเอาไว้ทีไรสา ก, ก็ต้องตายเป็นจิงครับคาคําจาพูดเอาออกมาจังหวัดสกลนครตอ น, นนี้กามันมีตลาดแต่ก่อนเขาเคยฆ่าวันแร้เจ็ดตัวทีนี้เขาก็ เ, าเพิ่มขึ้นเป็นสิบเอ็ดตัวก็มันไม่พอกันคสิบเอ็ดตัวเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ด สิบเอ็ดมันก็เพิ่มขึ้นสิบสิบสิบเอ็ดตัวมันเพิ่มขึ้นอีกสี่ตัวสี่ตัวสี่ตัวสี่ตัวที่นี่อน 4, เอสี่ไปคูณเก้าสิบคืเก้าสามหกสาเก้าตัวสาม้หกสิบตัวครับตามร้อสิบตัวกันมเก็บสวดไว้เก้าสิบวัน <c oughs> มันก็ถูกแล <c oughs> ้ <c oughs> ไวไอ้ที่ไหนที่มีตลาดเขาก็ต้องข้าเพิ่มเพราะคนมาคาับตอย่างนะครับอนเป็นจริงเนาะผมวัน ต้องการมรณะภาพอยู่ที่บ้านหนองหือแต่ว่าอาศัยอยากจะได้โบสถ์แล้ว ก, ก็แี่ท่านออกมาครับ <c oughs> <c oughs> ท่านกบนอยู่บอกว่าเอาไปติ้งไปเผาที่ไหนเนองอท่านก็พูดอยู่ <c oughs> <c oughs> พูดน้อยไห่พออธิบายพูดร้ายก็ไม่ดี <c oughs> เดี๋ยวรบผมหาแจงคือเก่งนะขันผหา ช่งที่จะกระทบ ก, กระเทือนโลกมากท่านกับพิกออกนิดหน่อยแต่เราไม่พิกเขียนเขียนเขีนสองบาทเราครับตรงเลยเราไม่พิกเข้าตรงเลยที่นี่พยานของเรามันนี้อยู่เพราะก่อนก่อนหลวงปู่มั่นชนิพันมันก็มีพระสององค์มรณภาพมีมีพระมรณภาพสององค์ในสองพันสี 2, ่ร้อยนี่สเก้าก็สิบเกาสิเอก้าสองท่านก็ไป สองคนที่เราแต่ลก้มีพระมีนนะพระรณนาภาพสององค์เนีครับการทำชาประนิจกกทำอย่างนั้นองนี้หลวงปู่ไม่อธิบายมมหลวงปู่มาอธิบายก็เลยไปทางอื่นนะเราอธิบายเพราะถอยพอเพระเพลิงในวันนั้นครับมีอะไรมีในพิธีกรรมของเรารยาพิษตราอะเห็นเต้ทราบว่หลวงปู่เขียนพิธยกรรมอทาทำทั้งเขียนทัน้กรรมและทาทั้งอัฐิ ี่นัยกรรมได้ใช่ไหมครับครบดครับอยู่ในหนังสือที่ว่าประวัติก็มีบ้างี่ว่าปริี่ว่าประวตก็มีบ้างของลูกปู่หรือไงของอธมาเองมีมีบ้างพระเจ้านี่อาจจะถูกพรหมหากัจจแมนคอยพระมหากัจมนก็อาจเป็นได้มีอยู่แต่ ว, ว่าได้ทำพินในกรรมไว้เรียบร้อยแล้วมีมีในหนังสือที่ว่าประวัติแล้วแต่ ว, ว่า ตัวนังสือพิณายกรรมยันมีอยู่สี่ห้าเล่มแล้วเขาพิมพ์มาดึกโตขนาดนี้แล้วฮะผมยังไม่ได้รับเลยยังอยู่เล่มเดียวเดียวนี่ไม่รู้ว่าใครเอาไปบ้างยังอยู่เล่มเดียวเดียวนี่และยังเทป พ, พินายกรรมมะครับคุณครกูก็เห็นว่าอัดให้กับบางคนไม่เทปพิ น, พนายกรรมเขา อ, อาจบ้างแต่แต่ยังไม่แต่ไม่ได้อัดจบอัดเอาแต่เนื้อความ มันมีพินัยกรรมที่ยนอยู่นั่นสามเล่มเล่มเดิ ม, เ ล, มเล่มหนึ่งเล่มเขาพิมพ์มาอีกเขาพิมพ์มาอีกเป็นหกเล่มไม่รู้ว่าใครขอไปบ้างเอาก็ลืมหมายถาบอกว่าใครเขาเอามาส่งก็เงียบเลยไม่เห็นครับจังเป็นพอมีอยู่อีกบ้างไหมครับหลวงพระปกมีอยู่เล่มเดียวมีอยู่เล่มเดียวถ้าเราจะไปพิมพ์ช่วยพิพพมันก็ไม่ถูกครับก็ไม่เป็นเรืร่องของส่วนตัวครื่อง ส, ส่วนตัวเรื่องส่วนตัวมันกระทบกระเ ท, ะทือนโลกไม่ดีครับพิมพ์แต่เฉพาะส่วนเราครับ อ่าผมอันนี้ตุลาเตลุงปูครับคือทําไรผมไก็ขอจะขอญาติหลวงปู่ก่อนเสมอครับถ้าหลวงปู่อนุญาตผมก็นั่นครับไม่ไม่หรอกครับมันไม่ไม่ผมไม่ไม่ไปนั่นนะครับเพราะว่าอันนี้ต้องตุลาเตลุงปูครับเพราะมันเป็นเรื่องของส่วนตัวกับพวกกอเที่ยโลกถักไหถูกครับแล้วพระท่านโู้รดทอบอย่างนั้นถ้ากำลังเปียกนอนครับถ้าเขชอบเกลี่ยไแล้วกำลังเปียกนอนครับเพราะตุลาเตอันนี้ผมไม่นั่นครับอันนี้มันเป็นขอส่วนตัวครับมันต้องเอามาก เอาสองสาเรื่มพอแล้วตรวสองตัวถ้ามีผู้มาถามว่าทำไมริงเผาทันเดียวนะก็พิธายกรรมจริงให้ครับก็อันนี้เป็นพินัยกรรมมันมก็เป็นความมุ่งหมายจุดประสงค์ของล<อ>ูกปูกครับแต่นี้ตอนี้พวกผู้เสียลูกค้าก็แามคือผมฟังใครกับใครหลายคนร้วนแต่บอกว่าโอ้โหที่ทราบแล้วก็รู้สึกว่าพูดขึ้นถึงว่าแหมทาไม คือจะมาไม่ไ ม, ไม่ไม่ทั น, นต้องก็ที่คนทุกคนก็ต่างตั้งใจจะจะมากันทั้งนั้ น, น, นว่าจะคือยังไงพอลูกปู่ลูกป่าจะมากันนะครับอะมาเข้ามาไม่ทีอยู่อันนี้ปีนขึ้นเขาลงห้อย <c oughs> ครับคือนั่นเนี่ยเรามองดูเรามองดูหลายช่้งหลายหลายนายแล้วที่นี่เันที่ฝ่าลถคัดหนึ่งถ้าว่าอึด ก, ก็ทึกคือกรมตอนกลางคืนกลางวันอย่างนี้ครับ พ็ยิงหนุ่มใช่หนุ่มเขาจะปฏิบัติกันยังไงมีลําบากถูกไหครับลําบากไหมเนี่ยในพูในเขาเนี่ยถ้าข้างคืนมีการมีงานแล้วก็ลาบากเหมือนกันใช่หนุ่มยิงชาวเขาลาบากเนอบถูกไหมรับก็เป็ดเป็นอย่างที่ลุงปูปะแับนี้นนครับเราเราเขาที่เฉดี่กว่าแต่นี่อย่างลุงปูนี่ไม่ใช่ผู้ที่ไม่ใช่เหมือนกับอย่างการทั่วๆไปเลยครับลุงปูเป็นพี่เขาลักษณะของคนทั่วไปหมดเลยครับ ลูกศิษย์ค้าที่เขารบการลานลงปู่ใครขึ้นมาเนี่ยรุแต่บอกมาพอมาพอปนปู่แล้วสบายอกสบายใจ่านรแต่ว่าลุงปู่เขาเรียกว่าสาหรับเราจะไปทาตัวเหมือนลุงปู่แหวนจะไปทาตัวเหมือนลุงปู่มั่นมันไม่ถูกต้องต้องจับประมาณตัวทำเพื่อนาทําให้ก่อนซักเรพูดอย่างนี้ต้องจับประมาณตัวถ้ไปทื่องลุงปู่แหวนลุงปู่ขาวลุงปู่มั่นลุงปู่มหาบัวลุงปู่ฟันไม่ได้ต้องย้อนก่อนท่านเพราว่า คือเป็นพระกรรมกรเราต้องทํำพินไรกรรมไ <c oughs> ว้เราไม่ลืมตัวเราสำหรับเราสแสดงต่อเป็นพระกรรมกรเสมอเสมอเลย <c oughs> อัตตันตตาใจตาธาตุความรู้จักประมาณคือรู้จักตนอัตตันตตารู้จักตนรู้จักประมาณเป็นความให้สาเร็จประโยชน์ท่านผู้ใหญ่ที่นี้มักใหญ่ไฟสูงไม่ชอบเรา <c oughs> เราทานะเราจะเปรเียบเหมือนสาระของหลวงปู่มั่นหลวงปู่ฟัน่นหลวงปู่อ่อนหลวงปู่ขาวไม่ได้ ต้องเทียบต่ําลงมากว่านั้นยอมตัวเป็นเฉียงเท่าของท่านจะดีกว่าครับยอมตัวเป็นเฉียงเท่าของหลวงปู่มั่นของหลวงปู่มหาบัวของหลวงปู่เทียนของหลวงปู่ขาวของหลวงปู่เหวนดีกว่าดีกว่าเราจะไปทําตัวให้เสมอท่านเราไหวอย่ายงนี้เราเลยทําพินัยกรรมไว้คราค <laughs> ำนวณซะถูกไหมล่ะ ครับถูกก็ถูกเลครับหลวงปู่เพราะหลว ง, งปู่เปที่่นอยู่ครับ่ อ, อ ง, อองครับต่อร ง, ง, งนั่นแต่ยงนี้หลวงมันก็หลวงปู่ก็ยังให้ทางออกใช่หฮะ<อ>ให้ทางเอาไปพวกผู้เสีผู้หาหรือว่าพกที่อยู่ภายหลังใช่ไหฮะหรือว่าจะต้อง <c oughs> ให้ให้ลกศิษผู้อยู่ภายหลัง เ, เป็นอย่างยางด้วยเพราะโูกศิษที่อยู่ภายหลังเขาจะมังไก่ใส่สูงในเรื่องนี้มันแค่ควง่ายครับ ที่หลวงปู่ฟั่งเรื่องที่หลวงปู่มั่นทํานั่นไม่ใช่ว่าทําให้ลูกศิษย์องค์หนึงน่งสิบปดพรรษาองค์หนึ่งแปดพรตัวหนึ่งหกพรรษาถวายพระเพลิงในวันนั้นก็ทําเพื่ออยากจะให้โอ้ทำลงคงหลวงปู่อย่างนั้นครับทีนี้ไม่ทําเสียที่นี่เลยไปทำแบบอื่ น, ท, นที่หลวงปู่ต้องการให้ทําให้ลูกศิษย์อย่างแล้วทําให้ตนอย่างหนึ่งเป็นไม่มีเลยครับในชาติหลวงปู่จึงชอดสัพพานมาก่อนหลวงปู่พาทำหลวงปู่ นกปูมันพาทาอย่างนั้นครับแต่อยู่มาพายล้างก็เลยเป็นเรื <HDR> ่องใหญ่ต <worship> ัวหัวฐานเรื่องที่เปลี่ยนแปลงไปเรื่องใหญ่ตัวหัวฐานนี่ก็ทึ่งก้มแล้วก็แม่นานก็ทํามาทํามาทํามาเอาน้ําอัดลมมาเอาน้ําอัดไฟมาอยู่ครับไม่ไหวไม่เอาไปเอาเงินใช่ไหมวะถ้าอย่างมั้นเรื่อก็ะไรทําประโยชน์ข้างหน้าจะดีกว่า อยู่ทายพระใช่ีกว่าเพราะเราเราไม่จำเป็นระยุ ung, ่งออย่าง น, นี้เนเรามาอยู่ที่ัตะขัดเดี่ยวพื่อนเขาลงหัว่าเขเที่ยวอันนี้ลำบากจะไปทำม่งไก่สายสูงมาถูกเรานึกอยู่อย่างนี้เราจึงก้าวพิลายทำสองพันห้ารอยสิบห้าเราทำครับแต่มันมีอยู่เหมือนกันอ่า ถ้าถ้าอยากจะฟังก็จะเอามาอ่านให้ฟังครับฟังไหมก็อยากฟังครับไปเอาไปเอาไปเอาเอาเทปมาอัดด้วยครัับอเทปด้วยครับอยากไปเปิดทุกคนทุกแห่งเนอะครับไม่ไ่ก็จะหือถ้าลุงงงปูนี่ก็บอกเผมก็ไม่ไม่กล้าไปจริง็ดนั่นหรือครับทุกอย่างผมจะขออนุญาตหลวงปู่นะครับอะไรก็ได้เอาเทปมาเนอะหรือหรือเอาเดิมก็ได้เนอะ เฮ้ยอะไรฟังตัวผมคอาไม่มนลวงปูได้เตะอนหนักนิงที่มาที่หลังนี่เกี่ยวับนิดหน่อยเกี่ยวกับการปฏิบัติทำความหนานงที่มาไม่บอกาแกมเอาหมเลเย่การปฏิบัติทำธานวัดเราก็มีอยู่ว่าชีรอดเราก็มีอยู่ว่าที่เรายังขาดภาวนาวัดเี่ ถ้ามีแต่ทานไม่มีศีลอายุก็สั้นถ้ามีแต่ศีลไม่มีภาวนาก็มักจะหลงถ้ามีชาติมีพพอยู่ถ้ามีแต่ศีลทานไม่มีเกิดมาในภพหน้าก็เป็นคนอดคนอยากไม่มีทรัพย์สินคานบริวารถ้าว่ามีแต่ทานไม่มีศีลทีนี้เกิดมาในภพหน้าอีกก็เป็นคนมีอายุสั้น ถ้าไม่มีภาวานาที่นีเกิดมาอีกได้พบชาณาเขาหลงเขาบอกใครไปนับถืออะไรก็ไปกับเขาเพราะโง่เพราะมาได้ภาวานาปัญญาเหตุ น, นั้นจึงว่าทานศีลภาวานามันเป็นเชือกสามเกลียวกลมกันกลืนกันจึงพ้นทุกข์ในวาระทุกข์สามได้มีพระพุทธมีพระธรรมมีพระสงฆ์อยู่ในชิตุนั้นด้วยพระพุทธธรรมสงฆ์กับทานศีลภาวานาก็มีความหมายอันเดียวกัน ว่าพุทธธรรมสงสอนให้มีทานศีลภาวนาผู้ใดไมีทานศีลภาวนาก็คือผู้นั้นมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์น่าจะเปร่งมาจารถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ด้วยทีนี้ผู้ภาวนาจะต้องการภาวนาพุทโทธก็ครอบแปดหมื่นสี่พระธรรมะขันจะต้องการภาวนาธรรมูก็ครอบ8ปดหมื่นสี่พระธรรมะขันจะต้องการภาวนาสังโฆก็ครอบแปดหมื่นสีพระธรรมะขันคล้ายๆเราจำหนังมันก็ถูกเนื้อถูกกระดูกอีกเหมือนกัน เช่นเราเห็นหน้ากันมันก็เห็นตาเห็นจมูกเหมือนกันเป็นเพียงอักษร อ, อักษรยอ่อยเฉยถ้าเราจะพิจนารณาความตายเป็นอารมณ์พ่ออารมณ์ให้ใจเขาออกก็เท่ากับเขาแปเหมือนกัพระธรรมะฐานเหมือนกันเพ่อธรรมะฐานแต่ละอย่างละอย่างดึงกันมาได้หมดเป็นสามัคคีกันแยกว่าสามัคคีกรรมะฐานมรรคแปดสัมา 8, สมาทิฏฐิปัญญาเห็นชอบแม่พระพุทธธรรมะส่์หรือเห็นอริยสัจสี่ก็ดี มาสังกปรวาจากํมันโตอาชีววิยาโมสติสมาธิขกอคงเกลืนกันอยู่ในตัวเป็นเชือกแปดเกลียวทั้งทั้งหลายรวมลงมาเป็นหนึ่งในปัจจุบันทั้งนั้นอดีตล่วงไปแล้วอนาคตจะเามาถึงพุทโธธรมโมสังโฆคุณขององค์ท่านมีอยู่ไม่มีประมาณไม่ใช่ว่าเราพิจารณาคุณพระพุธรรมประสงค์คุณพระพทธคุณพระพุทธธรรมประสงค์จริงจะมีไม่ใช่เป็นอย่างนั้น เราพิจารณาดินดินจึงจะมีเราพิจารณาน้ำน้ําจึงจะมีเราพิจารณาไฟไฟจึงมีเราพิจารณาลมลมจึงมีไม่ใช่อย่างนั้นอันนั้นเป็นเรื่องเราบัญญัติหลังฉากเฉยๆหรอกไอ้ที่แท้มันมีบริบูรณ์หมดแล้วก็เอาปานจนีนเพียงังมันพายรอรอลมเดินดีมันมานฉย บอคนจีนว่คือ ห, ห้าเลยขึ้นไปนั่งสันไปนั่งเกินเขาโยโตะนั่งนองหยอกอีสั่มไม่นั่งที่เก้าอี้เลยขึ้นโต๊ะแล้วก็นั่งนงองหยอนั่งนองหยองนั่งนองหยองครับทีนี่เรื่องว่าพุทธศาสน า, าเบื้องต้นสอนในธรรมะเขาเรื่องชีวิตในทางที่ชอบให้มีสิ่งห้าบริบูบรณ์เบื้องกลางสอนในแบ่งเวลาออกปฏิบัติภาวนาะเ บ, บื้องท้าย ตอนนี้เบื่อนาย่ามองในวัดทาท้องสารอย่ามาเที่ยวเกิดแก่เก็บตายอีกเพราะมีแต่กองทุกข์สังขารปรมาทุกขาสังขารเป็นทุกข์ยิ่งโลกเป็นทุกข์ยิ่งมีความหมายอันเดียวกันสพาะโรกทั้งปวงรวมลงมาในสังขารโลกทำทำสุดท้ายทำชั้นสูงศีลชั้นสูงสมาธิชั้นสูงปัญญาชั้นสูงตรงเกินกันอยู่อันนี้ มนุษย์โลกแม้แต่โลกที่เราอาศัยอยู่นี้เทวโลกอะไแก่แ ก, ก, ก่กามาเขาจะละหชั้นพรมโลกในไละแก่รูปพมถึงหกชั้นเนี่รูปพมสี่ชั้นสัพพโลกทั้งปวงรวมลงมาในสังขารโลกสังขารโลกแบ่งออกเป็นสองอุปาทินาการสังขารที่มีใจครองอนุปาทินากะสังขารสังขารที่ไม่มีใจครองสังขารเหล่านี้อยู่ใต้อํานาจอนิจจังเมื่อพิจารณาเห็นอนิจจ์ พ, พ่อเขาลงให้แกเขาออกแล้วก็เห็นโลกรอบหนึ่งแล้วเพราะโลกเต็มไปด้วยอนิจจ์ สังขารประมาณทุกขาสังขารเป็นทุกอย่างยิ่งโลกเป็นทุกอย่างยิ่งอ น, นิจจังเป็นทุกย อ, อย่างยิ่งมีความหมายอันเดียวกันเมื่อเห็นทุกขณะคิดหนึ่งก็เห็นโลกรอบหนึ่งเหมือนกันนั่นเมื่อเห็นอ น, นิจจังขณะคิดหนึ่งก็เห็นโลกรอบหนึ่งเหมือนกันเมื่อเห็นอนิจจังก็ส่องทะลุภูเขาเหมือนกันเพราะภูเขาจะแตกสายเป็นหนักถ้าเมื่ออย่างนั้นก็ไม่สิ้นความสงสัยในวัฏฏสงสารทีนี่ใครตาดีๆมาอ่านให้ฟังเอานี่นี่ พี่ตาดีตาดีดออครับนี่เขาพิมมาแล้วนี่ก็โรดี้ว่าเดียวนี่นี่นี่นี่วสี